วันนี้เป็นวันจันท ร, ร์ที่หมิถุนายนพุทธศักราช2566าเป็นวันหยุดชดเชยเนื่องในวันเฉลิลมพระชนมพรรษาและวันวิสาขบูชา <c oughs> ที่ผ่านมาทางราชการจึงได้มีการกำหนด ให้มีวันหยุดชดเชยขึ้นอีกวันหนึ่งซึ่งสำหรับชาวพุทธผู้ฝ่ายธรรมนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของการได้กำไรเพราะว่าจะได้มีเวลาเพิ่มขึ้นอีกวันหนึ่งที่จะได้เอามาใช้ให้กับการศึกษาและกับการปฏิบัติ ก็ทำคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นสิ่งที่เลิศที่ประเสริฐกว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้เพราะสิ่งที่เราได้จากการปฏิบัติธรรมนี้จะเป็นสิ่งที่เราจะเก็บไว้ได้จะเอาไปกับเราได้ หลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วร่างกายนี้เป็นของชั่วคราวและสิ่งต่างๆที่เราหาผ่านทางร่างกายก็จะเป็นของชั่วคราวท่านั้นไม่ว่าจะเป็นข้าวของเงินทองยศตำแหน่งรังวีรางวัลและความสุข จากมูปเสียงกลิ่นรสผลพระชนิดต่างๆ <c oughs> ล้วนเป็นของชั่วคราวเมื่อร่างกายนี้ตายไปสิ่งของเหล่านี้ก็ต้องอยู่ในโลกนี้เราไม่สามารถเอาไปกับใจของเราได้ใจของเราเวลาที่ร่างกายนี้ดับไปใจเราก็จะอยู่ในโลกทิพย์ และสิ่งที่ใจเอาไปได้ก็คือผลที่เกิดจากการปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า <c oughs> ที่จะดูแลสนับสนุนให้ใจอยู่อย่างมีความสุขปราศจากความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆ สิ่งนี้แหละเป็นสิ่งที่เราควรที่จะให้ความสำคัญกันคือการปฏิบัติพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า <c oughs> เพื่อที่เราจะได้ทรัพย์ภายในไปกับเราหรือความสุขภายในไปกับเราความสุขที่เกิดจากการปฏิบัติ <c oughs> ทานศีลภาวนาเป็นความสุขที่ ใจอยู่กับใจเราและสนับสนุนใจเราหลังจากที่เราไม่มีร่างกายแล้ว <c oughs> ถ้าเราไม่มีการปฏิบัติทานศีงธรรมนาเราจะไม่มีอะไรที่จะสนับสนุนเราจะไม่มีความสุขคอยให้ความสุขกับเราใจของเราก็จะถูกอำนาจของกิเลสตัณหา ความโลกความอยากต่างๆและอำนาจของการกระทำ <c oughs> ที่เสียหายกับจิตใจคือการกระทำบาปต่างๆมาสร้างความทุกข์สร้างความท ร, รมานให้กับจิตใจเราจึงควรที่จะใช้เวลาว่างที่เรามีอยู่นี้ <c oughs> ให้แก่จิตใจของเราให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพราะชีวิตของเรานี้มันก็จะหดไปเรื่อยๆผ่านตามการตามเวลาวันเวลาผ่านไปผ่านไปชีวิตของเราก็จะสั้นลงสั้นลงแล้ววันหนึ่งชีวิตเราก็จะสิ้นสุดลงคือร่างกายของเราก็จะสิ้นสุดลงแล้ว ช่วงนั้นเราก็จะไม่สามารถที่จะทำบุญทำกุศลต่อไปได้เพราะหลังจากที่ร่างกายตายไปก็จะเป็นช่วงที่ใจของเราจะต้องไปรับผลบุญผลบาปที่เราได้กระทำกันไว้ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ การกระทํำบาปนี้เป็นพิษเป็นภัยต่อจิตใจเป็นสิ่งที่เราไม่ควรกระทํากันสิ่งที่มิควรมีประโยชน์กับจิตใจคือการกระทําบุญกระทํากุศลต่างๆที่เราควรที่จะทํากันให้มากๆเพราะทําแล้วมันจะทําให้ใจเรามีความสุข มีความสุขทั้งขณะที่มีความสุขทั้งในขณะที่ <c oughs> ร่างกายนี้ยังมีชีวิตอยู่และมีความสุขต่อไปหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้ว <c oughs> และถ้าเราได้กระทาหรือได้ปฏิบัติ <c oughs> บุญกุศลถึงขั้นสูงสุดได้ใจของเราก็จะได้ไปสู่ ที่สูงสุดของของใจที่จะไปได้คือไปที่พระนิพพานไปที่สิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดการเวียนว่ายตายเกิดนี้เกิดจากการเกิดจากความอยากของเราเกิดจากกิเลสตัณหาความโลภความอยากในสิ่งต่างๆ มันจึงทำให้เรานี้ต้องคอยกลับมาหาสิ่งต่างๆที่เราโลภเราอยากอยู่สิ่งที่เราโลภเราอยากนั้นคืออะไรก็คือลาบยศสรรเสริญสุขที่ได้จากทางตาหูจมูก น, นิ้นกายทุกวันนี้เราก็เสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสกันอยู่เรื่อยๆแล้วก็หาความสุขจากลาบยศสรรเสริญกัน สิ่งเหล่านี้มันเลยทำให้ใจเราติดเป็นเหมือนยาเสพติดเหมือนติดยาเสพติดผู้ที่ติดยาเสพติดล้านี้จะต้องคอยหายาเสพติดมาเสพอยู่เรื่อยฉันใดใจที่ติดอยู่กับราบยศสารเสงิดอยู่กับความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายก็จะต้องกลับมาหามาเสพ ลาบยศจัลเ ส, สินสุขอยู่เรื่อยๆเวลาที่ร่างกายตายไปก็จะหาโอกาสรอโอกาสที่จะได้กลับมาเกิดใหม่ได้มาเป็นมนุษย์ใหม่หรือเป็นสัตว์เดรัจฉานถ้ายังมีบาปติดตัวอยู่ก็ยังต้องไปเปิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก่อนจนกว่าบาปนี้จะ หมดอิทธิพลหมดกาลังที่จะดึงใจให้ไปเกิดในบายหรือให้เป็นสัตว์เดรัจฉาน <c oughs> ถึงจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ทาไมถึงต้องมาเป็นมนุษย์ใหม่เพราะมนุษย์นี้มีตาหูจมูกลิ้นกายที่สามารถตอบสนองความอยาก <c oughs> ของใจคือความอยากได้รูปเสียงกยลิ่นรสผลิภัณ และความอยากได้ลาภยศเสริญนี่มาเสกมาให้ความสุขกับใจนั่นเองใจก็เลยต้องกลับม า, ม, ามีร่างกายอันใหม่อยู่เรื่อยมีมีอย่างไม่มีวันสิ้นสุดตราบใดถ้ายังมีความอยากที่จะเสกกามอยู่เสก ร, รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพั เสพราบยศเสริญสุขอยู่ใจก็จะต้องเวลาที่สูญเสียร่างกายอันเก่าไปแล้วใจก็จะอยู่ในสภาพของดวงวิญญาณรับผลบุญผลบาป ท, ที่ได้ทำเอาไว้แล้วหลังจากนั้นก็จะมารับร่างกายอันใหม่มาเกิดใหม่ เวลามาเกิดก็ต้องมาเจอกับความทุกข์ของการเกิดพอเมื่อเกิดแล้วก็จะต้องมีความแก่มีความเจ็บมีความตายเป็นผลที่จะตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะนี่คือธรรมชาติของร่างกายของทุกๆคนเมื่อเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่เป็นธรรมดา ร่วงพน้นความแก่ไปไม่ได้ย่อมมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาร่วงพน้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไปไม่ได้มีความตายเป็นธรรมดาร่วงพน้นความตายไปไม่ได้มีการพัดภากจากสิ่งต่างๆไปเป็นธรรมดาร่วงพน้นไ ORA. ปไม่ได้นี่ก็คือความทุกข์ที่ จะมีมากับการเกิดทุกครั้งทุกครั้งที่เกิดนี้จะต้องเจอกับความทุกข์เหล่านี้และจะต้องหลั่งน้ำตากันร้องไห้กัน mm hmm. พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าน้ำตาที่เราหลั่งในแต่ละพบแต่ละชาติถ้าเราเอามารวบรวมกันแล้วนี่มันจะมีมากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทร mm hmm. คิดดูก็กันว่าเราต้องทุกข์มากขนาดไหน ถึงต้องหลังน้ําตามากยิ่งกว่าน้ําในมหาสมุทรต้องทุกงานขนาดไหนต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายสักกี่รอบกันถึงจะหลังน้ําตาได้มากกว่าน้ําในมหาสมุทร <c oughs> นั่นแหละคือสถานภาพของใจของพวกเราทุกคนตราบใดที่ยังมีการมาเกิดอยู่ จากนั้นก็ยังจะต้องหลั่งน้ำตากันอยู่ไปเรื่อยๆและโอกาสที่จะทำให้เรานี้ไม่กลับมาเกิดได้นั้นก็ต้องมีพระพุทธศาสนามาปรากฏในโลกนี้มีพระพุทธเจ้ามาทรงตัดสรุปแล้วนำพระธรรมอันประเสริฐที่จะพาสัตว์โลก ให้ออกจากวัฏจักรแห่งการเวียนว่ายตายเกิดให้ไปอยู่ที่พระนิพพานที่ที่สิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาสัตว์โลกอย่างพวกเราก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไปพวกเรานี้ภพนี้ชาตินี้ถือว่าเป็นภพชาติที่สาคัญ อย่างยิ่งเพราะว่าเป็นภพชาติที่เราได้มาพบกับพระพุทธศาสนานั่นเองแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะพบกับพระพุทธศาสนาได้ทุกครั้งที่เรามาเกิดนานๆสักครั้งหนึ่งเราจะได้มีโอกาสได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเพราะพระพุทธศาสนานานๆก็จะปรากฏขึ้นมาสักครั้งหนึ่งในโลกนี้ แต่หลังจากที่ปรากฏแล้วก็จะอยู่ได้เพียงชั่วระยะหนึ่งเช่นพระพุทธศาสนาของเราที่เรานับถือกันนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงพยากรณ์ว่าจะอยู่คู่กับโลกนี้ไปได้ไม่เกินห้าพันปีหลังจากนั้นแล้วพระพุทธศาสนาก็จะจางหายไปการจางหายไปของพระพุทธศาสนาเกิดจากอะไร จากชาวพุทธเราที่ขาดความสนใจในการศึกษาและในการปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองอันนี้แหละเป็นสาเหตุของการเสื่อมของพระพุทธศาสนาไม่ได้เสื่อมเพราะว่าถูกผู้อื่นเขามาทาร้ายทำลายผู้อื่นอาจจะมาทำลายโบสถ์มาทำลายเจดีย์มาทาลาย ท้าววัลวัตถุต่างๆแต่สิ่งเหล่านี้นั้นไม่ได้เป็นส่วนประกอบสําคัญของพระพุทธศาสนาส่วนประกอบที่สําคัญของพระพุทธศาสนาก็คือพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมและพระอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าถ้าตามใจเรายังมีพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์ พระอริยสงฆ์อยู่ในโลกนี้<ม>เรายัางมีพระพุทธศาสนา<ม>ยัางมีผู้ที่จะสอนที่จะบอกที่จะพาให้เราไปสู่พระนิพพานได้<ม>แต่ถ้าแต่การจะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คู่อยู่กับโลกไปเรื่อยๆ<ม>ซึ่งตอนนี้เราก็มีเพียงสององอค์ดันั้นเติมมีพระธรรมคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้า ที่มีบรรจุไว้ในพระไตรปิฎกและมีพระอริยสงสารของพระพุทธเจ้าคือพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งหลายที่ได้บรรลุถึงมรรคผลนิพพานที่รู้วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องที่ยังจะเป็นผู้ที่จะมาเอาธรรมะที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกนี้มาเผยแผ่สั่งสอน ให้แก่ผู้ที่สนใจได้ศึกษาได้ปฏิบัติและได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ตราบใดถ้ายังมีพระธรรมคำสอนคือมีพระธรรมที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกอยู่ในโลกนี้และมีผู้ที่จะมาสอนพระธรรมที่มีอยู่ในพระไตรปิฎก <Okay. S 1> คือพระอริยบุคคลขั้นต่างๆ ตั้งแต่ขั้นพระโสดาบันขึ้นไปนี้ท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถความเข้าใจในพระธรรมคําสอนที่พระเจ้าได้ทรงสแสดงไว้ในพระไตรปิฎกสามารถที่จะเอาธรรมะต่างๆในพระไตรปิฎกนี้มาสแสดงมาชี้แจงให้ผู้ที่สนใจศึกษาและนำเอาไปปฏิบัติได้ปฏิบัติอย่างถูกต้อง และได้รับผลคือการหลุดพ้นจาก <c oughs> จากความทุกข์ในระดับต่างๆจนถึงในระดับสูงสุดอันนี้คือสิ่งที่เป็นหัวใจหรือเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับพระพุทธศาสนาถ้าตราบใดยังมีผู้ที่สนใจศึกษาและปฏิบัติและตราบใดยังมีพระอริยสงสาวก และมีพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่บันทึกไว้ในพระไตรปิฎกนี้ยังมีอยู่ถานั้นพระพุทธศาสนาก็ยังจะสามารถทำหน้าที่ในการนำพาสัตว์โลกนำพาผู้ที่ปรารถนาการหลุดพ้นจากความทุกข์ได้หลุดออกจากกองทุกข์ได้อย่างแน่นอนในขณะนี้เรา ยังมีพระธรรมธรสอนที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกและเรายังมีพระสงฆ์พระอริยสงฆ์พระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีอยู่ตามวัดวาอารามต่างๆที่เราสามารถที่จะเข้าหาเข้าศึกษาและปฏิบัติได้เราจึงไม่ควรที่จะชราใจ แล้วก็ปล่อยให้เวลาอนมีค่าของเหล่านี้ผ่านไปผ่านไปโดยไม่ได้เอามาใช้กับการศึกษาใช้กับการปฏิบัติทำตามคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าเราถ้าเราไม่มีความตั้งใจมีการควบคุมบังคับใจของเราให้ศึกษาให้ปฏิบัติ ใจของเรานี้จะไม่ชอบศึกษาไม่ชอบปฏิบัติธรรมกันเพราะใจของเรานี้มีกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาเป็นผู้คอยชักนำคอยดึงให้ใจเหล่านีน้ไปหาความสุขจากราบยศสลเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพัชชนิดต่างๆการที่เราที่การที่เราจะ เอาเวลาอันมีค่านี้มาใช้กับการศึกษาใช้กับการปฏิบัติได้นี้จาเป็นต้องมีการควบคุมบังคับสิ่งที่เราจะใช้การควบคุมบังคับใจให้เข้ามาสู่ทางธรรมนี้ให้ได้ก็คือหนึ่งความตั้งใจที่เรียกว่าอธิษฐาน สองสัจจะความจริงใจความแน่วแน่ต่อการอธิษฐานต่อความตั้งใจและสามวิริยะความภาคเพียรและสี่ขันติความอดทนนี่แหละคือคุณธรรมสี่ประการที่จะบังคับใจเราสั่งใจเรา ให้เข้าสู่การศึกษาและการปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังอย่างต่อเนื่องเพราะว่าถ้าเราไม่มีการตั้งใจตั้งกำหนดการปฏิบัติของเราตั้งการกระทาของเราจริตใจต่อการตั้งการปฏิบัติของเราเราก็จะไม่ได้ปฏิบัติ ถ้าเราปล่อยให้เป็นไปตามความรู้สึกอารมณ์ถ้าวันไหนอยากจะศึกษาก็ศึกษาถ้าวันไหนไม่อยากจะศึกษาก็ไม่ศึกษาอันนี้ก็เป็นเหมือนกับนักเรียนนักศึกษาถ้าปล่อยให้เป็นไปตามอารมณ์ของนักเรียนหรือนักศึกษาวันไหนอยากจะไปโรงเรียนก็ไปวันไหนไม่อยากจะไปโรงเรียนก็ไม่ไป ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะไม่อยากไปซียมากกว่าเพราะใจของคนทุกคนใจของนักเรียนทุกคนนี้อยากจะไปเล่นอยากจะไปเที่ยวมากกว่าใจของผู้ปฏิบัติก็เหมือนกันยังอยากไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพภะมากกว่าการที่จะมาศึกษาและการปฏิบัติทำกัน ถ้าปล่อยให้เป็นไปตามความอยากแล้วก็รับประกันได้ว่าเวลาที่จะให้กับการปฏิบัตินี้จะมีไม่มากนานๆจะมีความรู้สึกอยากปฏิบัติกันสักครั้งหนึ่งอยากจะศึกษากันสักครั้งหนึ่งถ้าเราปล่อยให้เป็นไปตามอารมณ์ทางความรู้สึกแล้วการที่เราจะ ใช้เวลาอันมีค่าของชีวิตเหล่านี้ให้แก่การศึกษาและปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นจากความทุกข์นี้จะมีน้อยมากจะส่วนใหญ่จะหมดเวลาไปกับการแสวงหาลาบยศสารเสริญแสวงหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันเสียมากกว่าดังนั้นเราจึงต้องสร้าง คุณธรรมสี่ประการนี้ขึ้นมาคืออธิษฐานสัจจะวิริยะและขันติอธิษฐานก็คือเราต้องกำหนดตารางเวลาของการปฏิบัติว่าเราจะปฏิบัติเวลาไหนบ้างในแต่ละวันอย่างนี้สองเมื่อเราตั้งใจไว้แล้วเราต้องไม่เปลี่ยนใจถ้าเรามีสัจจะก็แปลว่าเราจะไม่เปลี่ยนใจ แต่ถ้าเราไม่มีสัจจะตั้งไว้แล้วพอถึงเวลาเราก็อาจจะเปลี่ยนใจเพราะอาจจะมีอะไรมาดึงให้เราไปทำอย่างอื่นก็ได้เช่นอาจจะมีเพื่อนมาชวนให้ไปทำอะไรกันแต่เราตั้งใจตอนต้นเราก็ตั้งใจว่าจะไปอยู่วัดไปปฏิบัติธรรมแต่พอมีเหตุการณ์ บางอย่างเกิดขึ้นมามเราก็อาจจะถูกเหตุการณ์นั้นดึงไปถ้าเราไม่มีสัจจะ<ม>ถ้าเราไม่มีความจริงใจต่อความตั้งใจของเรา<ม>แต่ถ้าเรา ม, มีความตั้งมีการสัจจะแล้วถ้าเราตั้งใจไปแล้วถึงเวลาเราก็จะต้องทำมันมมนี่คือถ้าเราไม่มีความตั้งใจเลย คือเราไม่ได้ตั้งใจไว้เลยว่าจะไปอยู่วัดไปปฏิบัติธรรมเมื่อไหร่เราก็ปล่อยให้มีความรู้สึกก่อนปล่อยให้มีอารมณ์อยากจะไปก่อนแล้วค่อยไปอย่างนี้อารมณ์ที่อยากจะไปวัดไปปฏิบัติธรรมนี้มันมีไม่มากมีน้อยมากหรืออาจจะไม่มีเลยก็ได้ดังั้นสิ่งแรกเราต้องมีขึ้นมาให้ไดค้คือเราต้องสร้างความตั้งใจขึ้นมา เราต้องตั้งเป้าว่าเดือนนี้เราจะไปวัดกันกี่วันดีไปปฏิบัติธรรมกันกี่วันดีหรือว่าเราจะฟังเทศกันกี่ครั้งดีอะไรศึกษาธรรมะากก่อนศึกษาเพื่อให้รู้ว่าเราต้องปฏิบัติอะไรเมื่อเรารู้แล้วเราต้องปฏิบัติเราก็ต้องกำหนดเวลาของการปฏิบัติขึ้นมาเบื้องต้นเราอาจยังไม่ต้องไปที่วัดก็ได้ เราก็ปฏิบัติที่บ้านไปก่อนก็ได้เช่นการนั่งสมาธิเราก็กำหนดได้ว่าวันหนึ่งเราจะนั่งสักกี่ครั้งด้วยกันเวลาไหนนั่งนานสักเท่าไหร่ทำไปตามกำลังของเราก่อนนั่งได้มากก็ตั้งให้มากถ้านั่งไม่ได้มากก็ตั้งไม่มากแต่อย่างน้อยให้มีการกระทําเกิดขึ้น ด้วยการด้วยความตั้งใจด้วยการกำหนดเป้ากาหนดเวลาของการปฏิบัติขึ้นมาการกำหนดเวลานี้ก็เรียกว่าเป็นการเป็นการตั้งอธิษฐานอธิษฐานในทางปฏิบัตินี้ไม่ได้หมายการหมายถึงการขออย่างที่ที่ญาติโยมจะเข้าเข้าใจกันส่วนใหญ่ญาติโยมที่ไม่ได้ศึกษาธรรมะนี้ จะเข้าใจความหมายของอธิษฐานว่าเป็นการขอ mm hmm. เช่นเราไหว้พระเสร็จแล้วเราก็อธิษฐานขอให้เรามีความสุขมีความเจริญ mm hmm. อันนี้ไม่ได้หมายคำ ว, ว่าอาธิษฐานในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการขอแต่เป็นการกำหนดเวลาของการกระทาของเราสิ่งที่เราจะต้องการกระทาเช่นเรากราบพระเสร็จแล้วก็ตั้งอธิษฐานว่า อาทิตนี้จะไปปฏิบัติธรรมที่วัดสามวันอย่างนี้อันนี้เรียกว่าปฏิเรียกว่าอาธิษฐานอาธิษฐานคือการตั้งเป้าหมายตั้งก เ, เป้าหมายของการกระทาว่าเราจะทำอะไรบ้างแล้วเราก็ต้องมีสัจจะเช่นพอเราตั้งว่าอาทิตนี้เราจะไปปฏิบัติธรรมที่วัดสามวันพอถึงเวลาเราก็จะไม่เปลี่ยนใจ ถึงแม้จะมีเหตุการณ์อะไรก็ตามเราก็ยังจะพยายามรักษาสัจจะของเราไว้ให้ได้ยกเว้นว่าถ้าเป็นเหตุสุดวิสัยเป็นเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สามารถไปได้อันนี้ก็ต้องยอมรับกับเหตุที่มันสุดวิสัยแต่ถ้ามันยังไม่สุดวิสัยนี้เราจะต้องทำตามที่เราตั้งใจให้ได้ เหมือนกับตอนที่พระพุทธเจ้าทรงนั่งประทับอยู่ที่โคนต้นโพและตั้งสัจจะอธิษฐานว่าจะนั่งที่ตรงนี้ภาวนาไปจนกว่าใจจะหลุดพ้นจากความทุกข์ถ้าใจยังไม่หลุดพ้นจากความทุกข์จะไม่ลุกจากที่นั่งนี้ไปถึงแม้ร่างกายเลือดในร่างกายจะเหือดแห้งไปก็ตาม จะไม่ยอมลุกจากที่นี้จะนั่งภาวนาไปจนกว่าจะบรรลุธรรมจนกว่าจะได้ตัดสรลุจนกว่าจะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ถึงจะลุกจากที่นี่ไปอันนี้แหละคือควาว่าอธิษฐานสัจจะสองอย่างคู่กันอธิษฐานคือความตั้งใจที่จะทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งนะสัจจะก็คือความแน่วแน่ความจริงใจ ไม่เปลี่ยนใจโดยเด็ดขาดถ้าใครมีทั้งสองสิ่งนี้แล้วเมื่อกำหนดอะไรขึ้นมาแล้วจะต้องทำไปตามที่ได้กำหนดไว้จะไม่เลิกจนกว่าจะครบตามที่ได้กำหนดไว้ถึงจะเลิกทำนี่แหละเป็นสิ่งที่สำคัญในการที่จะดึงใจของเราให้เข้าหา พระมคำสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าให้เข้าหาการปฏิบัติตามพระธรรมคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าพเาพเื่อที่จะได้บรรลุถึงมรรคผลนิพพานอันเลิศอันประเสริฐที่จะตามมาต่อไปจําเป็นที่จะต้องต้องเริ่มต้นด้วยการตั้งสัจจะอธิษฐานว่าเราจะเริ่มที่ตรงไหนก่อนมันมีการปฏิบัติตั้งสามระดับด้วยกัน ระดับทานระดับศีลระดับภาวนา mm hmm. ถ้าเรายังถ้าเรายังทําทานอยู่เราก็กำหนดการทําทานของเราว่าจะทําทานกี่ครั้งกี่วันในแต่ละเดือนอย่างนี้ mm hmm. เพราะการทาทานก็เป็นก้าวแรกแห่งการปฏิบัติ เพื่อที่จะพาขึ้นสู่เก้าที่ที่สองนะเก้าที่สามต่อไปเราก็ต้องกำหนดว่าเราจะทำทานทำบุญทำทานมากน้อยเพียงไรในแต่ละเดือนหรือแต่ละแต่ละอาทิตย์หรือแต่ละวันก็สุดแท้แต่แล้วแต่กำลังของเราถ้าเราไม่ตั้งไว้เราก็จะไม่ได้ทำากัน เพรเดี๋ยวเราก็มีเรื่องอื่นมาดึงให้เราเอาเงินที่เราจะเอาไปใช้กับทําบุญทําทานเอาไปใช้กับเรื่องอื่นแทนแล้วเราก็เลยจะได้เราก็จะไม่มีเงินทองเอาไว้สําหรับการทําบุญทําทานแต่ถ้าเราตั้งเป้าไว้ก่อนว่าเดือนหนึ่งเราจะทําบุญทําทานร้อยละเท่าไหร่ของรายได้ของเราน้อยละห้าร้อยละสิบ เราก็กำหนดเอาไว้แล้วแบ่งเงินส่วนนี้มาให้กับการทำบุญทำทานเราถึงจะได้ทำกันแต่ถ้าเราไม่ได้กำหนดไว้ไม่ตั้งอธิษฐานไม้ว่าเดือนหนึ่งนี้เราจะทำบุญทำทานร้อยละเท่าไหร่ของรายได้ของเราของเงินเดือนของเราเราก็จะไม่ได้ทำหรือทำหรือจะทำก็จะทำแต่เวลามีมีอารมณ์มีความรู้สึกอยากจะทาเช่น ถ้าเป็นวันเกิดอย่างนี้ก็อยากจะทำขึ้นมาถ้าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา<ม>เช่นวันวิสาขะที่ผ่านมาหรือ ว, วันเข้าพรรษาที่จะตามมามเราก็จะไม่ได้ทำมากเราก็จะได้ทำพอพอหอมปากหอมคอมซึ่งจะไม่ไม่มากไม่มากพอต่อการที่จะสนับสนุนให้เราได้ก้าวขึ้นสู่การปฏิบัติ ขั้นที่สูงขึ้นไปคือขั้นศีลและขั้นภาวนาต่อไปแต่ละขั้นนี้มันก็เป็นทมที่สนับสนุนขั้นที่สูงขึ้นไปเหมือนกับการเรียนหนังสือการเรียนหนังสือก็ต้องเริ่มต้นที่ขั้นขั้นที่หนึ่งก่อนขั้นอนุบาลก่อนแล้วมันก็จะสนับสนุนให้ได้ก้าวขึ้นไปสู่ขั้นปฐมจากขั้นปฐมก็จะสนับสนุน ให้ก้าวขึ้นสู่ขั้นมัธยมและจากขั้นมัธยมก็จะขึ้นไปสู่ขั้นอุดมศึกษาขั้นปริญญาปรีโทเอกตามลำดับต่อไปการศึกษาเล่าเรียนเราไม่ได้เริ่มต้นที่ขั้นสูงสุดเลยเพราะกำลังของเราความรู้ความสามารถของเรานี้ยังไม่มีมากพอที่จะทำให้เราไปเริ่มที่ขั้นสูงสุดได้ เราก็เลยต้องไต่เต้าขึ้นไปจากขั้นที่ง่ายขึ้นไปก่อนไปสู่ขั้นที่ยากขึ้นขั้นขั้นสงทานนี้ก็เป็นขั้นที่ง่ายที่สุดในขั้นของการปฏิบัติสามขั้นขั้นตอนการทำบุญทําทานนี้มันง่ายกว่าการรักษาสิ่การรักษาสีนี้มันง่ายกว่าการภาวนาอย่างนั้น เราก็ควรที่จะเริ่มที่ขั้นทาบุญทำทานก่อนถ้าเรายังมีความสามารถที่จะทำทานได้โือถ้าเรามีรายได้ที่จะมาแบ่งไปให้กับการทำบุญทาทานได้เราก็แบ่งมาแต่ถ้าสมมุติว่าเรามีรายได้ไม่พอกินไม่พอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเรื่องการทาบุญทาทานด้วยการใช้เงินทองอาจจะต้องระ ง, งับไป อาจจะทำบุญด้วยวิธีอื่นทำบุญด้วยแรงกายของเราทำบุญเป็นอาสาสมัครไปทำคุณทำประโยชน์สาธารณประโยชน์ให้แก่สังคมหรือไปทำประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งเช่นบิดามารดาผู้มีพระคุณทั้งหลายที่ต้องการความช่วยเหลือต้องการการดูแลของเรา ถ้าเรามีเวลาที่จะแบ่งไปทำได้อันนี้เราก็ยังถือว่าเราได้ทำบุญทำทานอยู่เหมือนกัน <Yeah. S 1> การกระทำเหล่านี้มันจะช่วยทำให้ใจเหล่านี้มีพลังมากขึ้นมีพลังที่จะทำให้เรานี้สามารถที่จะไปขึ้นสู่ขั้นที่สองต่อไปได้ก็คือขั้นขั้นศีลเพราะการทำบุญนี้ จะทำให้เราเกิดความเมตตากรุณาต่อผู้คนต่อบุคคลอื่นเวลาที่เราเห็นคนอื่นเขาทุกข์ยากเดือดร้อนเราก็อยากจะช่วยเหลือเขาเราก็เสียสละเงินทองหรือข้าวของหรือแรงกายของเราไปช่วยเขาให้เขาช่วยบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนให้กับเข า, าการกระทำอย่างนี้มันก็จะทาให้เรามีความเมตตาต่อบุคคลต่าง มีความปรารถนาดีจะไม่คิดร้ายต่อผู้อื่นจะไม่คิดเบียดเบียนผู้อื่นเมื่อเรามีความเมตตาแล้วเราก็จะสามารถที่จะรักษาศีลได้เพราะการรักษาศีลก็คือการละเว้นจากการไปเบียดเบียนผู้อื่นด้วยการกระทําบาปนี่เองบาปห้าข้อคือการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดประเพณี การพูดปนและการเดิมของบุญเมาต่างๆเพราะเรารู้ว่าถ้าเรากระทำสิ่งเหล่านี้แล้วเราจะไปท่างความเสียหายเดือดร้อนให้กับผู้อื่นซึ่งมันไม่ใช่เป็นนิสัยของเราของคนที่ชอบทําบุญทำทานคนที่ชอบทําบุญทําทานนี้ชอบเสียสละแบ่งปันประโยชน์สุขของตนให้แก่ผู้อื่น ไม่ต้องการที่จะไปแย่งประโยชน์สุขของผู้อื่นมาให้กับตนเองอเพราะการที่ไปแย่งประโยชน์สุขของผู้อืน่นนี้มันไม่ได้เป็นความสุขมันเป็นความทุกข์ใจเวลาที่เราไปลักทรัพย์ของผู้อื่นไปช่อกงทรัพย์ของผู้อื่นมาเป็นของเราเนี้มันจะทำให้เราเกิดความรู้สึกไม่สบายใจไม่ได้ทำให้ใจเรามีความสุขใจอินใจแต่อย่างใด ขั้นต้นการทำบุญทำทานนี่แหละจะเป็นตัวที่จะสร้างให้ทำให้เราเกิดมีความเมตตากรุณาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเมื่อเรามีความเมตตาแล้วเราก็จะไม่ชอบเบียดเบียนผู้เราก็จะไม่ทำบาปเราก็จะรักษาศีลได้อย่างง่ายดายรักษาศีลห้าคือละเว้นจากการฆ่าสัตว์รักรทรัพย์ประพฤติผิเปนิพูดปด ดื่มของบุญเมาต่างๆเพราะการดื่มสุรายาเมาหรือยาเสพติดนั้นจะทำให้เราไม่มีสติครอบงำควบคุมใจเวลาที่เกิดความคิดฝ่ายต่ำปรากฏขึ้นมาคิดอยากจะเบียดเบียนผู้อื่นก็จะไม่มีอะไรมายับยัง้งดนั้นการดื่มสุราถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นการกระทำบาปโดยตรงแต่จะเป็นการเปิดประตูให้ความคิดฝ่ายต่านี้ คัาคิดที่จะเบียดเบียนผู้นี้ออกมาสร้างความเสียหายสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้หได้ mm hmm. ก็เลยจะต้องเอา mm hmm. เ อ, าอาบายมุขเช่นสุรายามเมาเข้ามาเป็นข้อปฏิบัติ ด, ด้วย mm hmm. นอกจากสุราาก็ยังมีการเล่นการพนันการเที่ยวเตะ mm hmm. ความเกียดค้านและการครบคนที่ชอบอาบายมุขเป็นมิตร เป็นการกระทาที่ไม่ดีเป็นการกระทาที่จะทำหาให้เราไปกระทำบาปต่อไปถ้าเราไม่เสพอบายามุขโอกาสที่เราจะไปทำบาปนี้ก็จะยากขึ้นไม่ใช่ง่ายขึ้นแต่ถ้าเราเสพอบายามุขแล้วโอกาสที่จะทำให้เราไปทำบาปนี้มันจะง่ายขึ้นมันจะบีบดบังคับให้เราไปทำบาปกัน <c oughs> อนี่ ก็คือเรื่องของการตั้งสัจจะอธิษฐานเราต้องตั้งสัจจะที่ขั้นต้นก่อนขั้นทำบุญทาทานหรือทำคุณทำประโยชน์ถ้าไม่มีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองที่จะไปทำคุณทำประโยชน์ใช้เป็นใช้ในการทำคุณทำประโยชน์ก็ใช้แรงกายก็ได้หรือใช้ความรู้ของเราก็ได้ถ้าเรามีความรู้อย่างเรื่องใดเรื่องหนึ่งเราก็ให้เป็นวิทยาานได้ ถ้าเรารู้จักวิธีทำกับข้าวอันโอชาเนี่ยก็สอนให้คนที่อยากจะเอาวิธีทำกับข้าวนี้ไปทำมาหากินเราก็สอนวิธีทำกับข้าวหรือวิหรความรู้อย่างอื่นใช่อาจจะเป็นทางคณิตศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์ที่มีเด็กอยากจะเรียนลึกพิเศษเราก็สอนพิเศษให้กับเขาไปโดยที่เราไม่เรียกค่าตอบแทน เราก็จะได้สร้างความเมตตาให้กับใจของเราแล้วสร้างความเสียสละสร้างการแบ่งปันให้กับผู้อื่นเป็นการลดความเห็นแก่ตัวลงเพราะความเห็นแก่ตัวนี้แหละเป็นตัวที่จะทำให้เราทำบาปกันง่ายเวลาเราคิดแต่จะเอาผลประโยชน์ใส่ตัวเราเราจะไม่คำนึงถึงความเสียหายเดือดร้อนที่จะอาจจะเกิดขึ้นเวลาที่เราทาอะไร เวลาที่เราหาคุณประโยชน์ให้กับตัวเรา<ม>บางทีก็ จ, จะไปทำให้ผู้อื่นเขาเสียหายเดือดร้อนขึ้นมาก็ได้แต่ถ้าเราเป็นคนเห็นแก่ตัวเราก็จะไม่สนใจเช่<ม>นเวลาที่เราไปที่ไหนบางทีเขามีคนรอเข้าคิวเป็นยาว<ม>แต่เราไปอ้างว่าเรามีความจำเป็นจะต้องไปก่อนอย่างนี้อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการเห็นแก่ตัว ไม่มีการเสียสละแบ่งปันไม่คิดถึงหัวอกของคนอื่นว่าเขาก็มีความสำคัญมีความจำเป็นเหมือนกับเราเขาก็ต้องมายืนรอคิวกันส่วนเรานี่เป็นใครมาจากที่ไหนมามาที่หลังเขาก็อยากจะไปรัดคิวอย่างนี้นี่คือลักษณะของคนที่เห็นแก่ตัวแต่คนที่ไม่เห็นแก่ตัวคนที่มีความเมตตากรุณ า, าต่อผู้จะไม่กล้าลัดคิวจะต้อง รอตามคิวไปก็ไม่อยากไปเบียเดเบียนผู้อื่นไปแย่งสิทธิ์ของผู้อื่นก็เป็นเหมือนกับการลักทรัพย์อย่างหนึ่งเป็นการแย่งสิทธิ์ของผู้อื่นนี่คือสาเหตุว่าทำไมเราจะต้องเริ่มต้นที่การทำบุญทําทานก่อ น, นเพื่อหลอมใจเราให้เกิดความเมตตากรุณาเพื่อลดความเห็นแก่ตัวของเราลงไปให้เราเห็นประโยชน์สุขของผู้อื่นด้วย อย่าเห็นแต่ประโยชน์สุดของตัวเราเพียงคนเดียวเพราะเราอยู่ในโลกนี้เราไม่ได้อยู่คนเดียว <Yeah. S 1> เราอยู่ร่วมกันหลายคนด้วยกันเมื่อเราอยู่ร่วมกันเราก็ต้องมีการพึ่งพาอาศัยกันต้องมีการให้กันบ้าง mm hmm. ไม่ใช่มีแต่จะเอาแต่ได้เพียงอย่างเดียวถ้าเรามีแต่ความเห็นแก่ตัวมีแต่อยากจะได้อย่างเดียวจะมีใครอยากจะอยู่กับเราบ้าง mm hmm. ไม่มีใครเขาอยากจะอยู่ เพราะว่าทุกคนก็ต้องต้องการที่จะมีต้องการที่จะได้เหมือนกันแต่ถ้าเรามีการแบ่งกันเขาให้เราบ้างเราให้เขาบ้างสลับกันไปตามโอกาสตามเวลาเวลาที่เรามีมากเราก็แบ่งให้กับเขาให้กับคนที่เขามีน้อยแล้วต่อไปเวลาคนที่เขามีน้อยเขามีมากเขาเห็นว่าเรามีน้อยเขาก็จะมาเขาก็จะมาแบ่งให้กับเรา สังคมเราอยู่กันได้ด้วยการเสียสละแบ่งปันกันด้วยการโอบอ้อมด้วยการมีเมตตาต่อกันไม่ใช่อยู่ด้วยความเห็นแก่ตัวเอาลัดเอาเปรียดถ้าอย่างนั้นก็เป็นสังคมของสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานนี้เขาไม่มีจิตสำนึกในเรื่องของการแบ่งปันเสียสละเราจะคิดถึงตัวคิดถึงผลประโยชน์ของตัวเขาต่อน ยังไม่มีการที่จะระ ง, งับเรื่องของการเบียดเบียนกัน ส, สังคมของสัตว์เดรัจฉานี้เป็นสังคมที่สัตว์ใหญ่กินสัตว์น้อยตัวที่ใหญ่กว่ามีกำลังมากกว่าก็จะหลังแกตัวที่อ่อนแอกว่าแต่สังคมมนุษย์นี้เรามีความเมตตาเรามีปัญญาที่สามารถวิเคราะห์ถึงความต้องการของเราทุกคนว่าเหมือนกัน ว่าพวกเราทุกคนนี้ต้องการมีความสุขเหมือนกันไม่ต้องการมีความทุกข์ยากเดือดร้อนเหมือนกันแล้วเราก็คิดถึงหัวอกเขาหัวอกเราถ้าเราเดือดร้อนถ้าใครเข้ามาทําให้เราเดือดร้อนเราจะรู้สึกอย่างไรเพราะเรารู้ว่ามันไม่ดีเวลาที่มีคนอื่นเขาทําอะไรให้เราเดือดร้อนเราก็จะไม่กล้าไปทําอะไรให้คนอื่นเขาเดือดร้อน นี่คือสามัญสามัญสำนึกของความเป็นมนุษย์มนุษย์นี้มีความมีปัญญาที่จะสามารถแยกแยะหรือพิจารณาถึงความสัมพันธ์ต่อกันว่าการที่เราจะอยู่ร่วมกันนั้นจะต้องอยู่ร่วมกันด้วยอะไรมนุษย์นี้จะรู้จักคำว่าเมตตาเมตตาํตาำจุนโลกมนุษย์เราจึงมีการเสียสละแบ่งปันคอยช่วยเหลือกัน ยกเว้นมนุษย์บางคนที่ปราศจากจิตสานึกของมนุษย์เป็นมนุษย์ที่เป็นสัตว์เดรัจฉานแต่มีร่างของมนุษย์เท่า น, นั้นเองแต่ใจไม่ได้เป็นมนุษย์เป็นใจที่เป็นใจของสัตว์เดรัจฉานเป็นใจที่คิดแต่เอาผลประโยชน์ใส่ตนเองไม่คํานึงถึงความเสียหายเดือดร้อนที่จะเกิดขึ้นจากการที่หาแสวงหา ประโยชน์สุขให้กับตนเองแต่ถ้าเราเป็นมนุษย์เราได้มาศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่พระเจ้าสอนให้เรานี้มีความเมตตาต่อกันอันนี้เป็นพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันอย่างสาันติสุขอ่ามีผนตกแล้วทำยังไงดีใครอยากจะหลบก็หลบนะขออภัยด้วยต็อคิดว่า การแสดงธรรมก็เอาระ ง, งับไว้เพียงแค่นี้ก่อนก็นแล้วกันแล้วเราก็มาทําบุญถวายข้าวของกันแทนเพราะว่าบรรยากาศมันไม่เอื้อต่อการแสดงธรรมในช่วงนี้ไว้เดี๋ยวค่อยสมทนาธรรมกันต่อถ้ามีคําถามอะไรก็ค่อยถามกันอีกทั้งเพราะเดี๋ยวจะพูดต่อยอสักหน่อยก็ได้เมื่อเรามีกําลัง เราทำบุญทาทางได้เราก็จะมีกาลังรักษาศีลเพราะเราจะไม่ชอบเบียดเบียนผู้อ<ม>ื่นเรารักษาศีลห้าได้เราก็จะสามารถรักษาศีลแปดต่อไปได้<ม>เพราะว่าเพียงการเพิ่มอีกสามข้อศ<ม>ีลแปดนีเน้เรียกว่าเป็นศีลในกามะคือให้เราหยุดกิเลสของเราหยุดความอยากของเรา จากการที่เราอยากจะไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเช่นไปเที่ยวไปดูหนังฟังเพลงเราก็ลองมาถือศีลแปดกันในวันพระครั้งน้กก็ทดลองเอาวันหนึ่งก่อนถศีลแปดเพื่อที่เราจะได้มีเวลาว่างเราถ้าเราไม่ไปทำกิจกรรมทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่ไปเที่ยวไปดูหนังฟังเพลง ไม่ไปกินไปดื่นไปงานเลี้ยงงานแต่งงานงานอะไรต่างๆเราก็จะมีเวลาที่เราจะเอามาใช้กับการปฏิบัติามาภาวน า, ามาเจริญสติมานั่งสมาธิามาทำใจให้สงบนั่นเอง เ, เ, เราต้องทำเป็นขั้นๆไปขั้นต้นก็ทำทานแล้วก็รักษาศีลจากศีลห้าแล้วก็เพิ่มเป็นศีลแปด เราก็ต้องตั้งสัจจะอธิษฐานเช่นวันพระเราจะถือศีลแปดวันธรรมดาเราก็จะถือศีลห้าอันนี้ก็ต้องมีความตั้งใจถ้าไม่มีความตั้งใจเดี๋ยวก็บางทีก็ไม่ทําทําบ้างไม่ทําบ้างแต่ถ้าเราต้องการที่จะมีการกระทําการอย่างสม่าเสมอมีการอย่างต่อเนื่องเราจะเป็นจะต้องตั้งสัจจะอธิษฐาน กับการกระทำทุกระดับตั้งสัจจะทิฏฐานจะทำบุญทาทานจะแบ่งปันจะเสียสละแล้วตั้งสัจจะทิฏฐานจะรักษาศีลห้าแล้วก็ตั้งสัจจะทิฏฐ า, า, า, านต่อไปว่าวันพระวันวันที่เราหยุดทำงานเราก็จะมาตั้งสัจจะเราก็จะมารักษาศีลแปดแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็ไปอยู่วัดไปหาที่สงบ เพื่อที่เราจะได้มีเวลามีสถานที่ที่เหมาะต่อการเจริญสตินั่งสมาธิการเจริญสติการนั่งสมาธินี้จําเป็นจะต้องมีศีลแปดเป็นเครื่องสนับสนุนถ้าเรายังถือศีลห้าอยู่มันจะภาวนาแล้วมันจะเกิดความง่วงนอนได้เพราะเรากินอาหารมากเกินไปถ้าเรากินอาหารเพียงแค่เที่ยงวันหลังจากเที่ยงวันไปแล้วไม่ไม่กี่ชั่วโมงเราก็จะไม่มีความวาง่วง แต่ถ้าเราลองกินอาหารเย็นหนึ่มื้อหนึ่งพอกินเสร็จมันก็จะง่วงอยากจะนอนพอมันข้าวมันมืดมันก็เลยอาจจะไม่ได้ปฏิบัติธรรมต่อันก็ต้องถือศีลแปดถ้าเราอยากจะมีเวลามีมีกำลังที่เราจะมาเจริญสติมานั่งสมาธิทำใจให้สงบทำไมเราถึงต้องนั่งสมาธิกันเพราะผลที่เกิดจากการนั่งสมาธินี้ มันเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขทั้งหลายทั้งปวงยิ่งใหญ่กว่าความสุขที่เราจะได้จากราบยศสรรเสริญจากลูกเสียงกิ่นรสนั่นเองต่อให้มีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านก็ไม่สามารถที่จะซื้อความสุขที่ได้จากสมาธินี้ได้นะความสุขจากเงินร้อยล้านพันล้านก็สู้ความสุขที่ได้จากการทำใจให้สงบไม่ได้ ได้จากการนั่งสมาธิทำใจให้นิ่งไม่ได้อันนี้ลนะ่ะเป็นสิ่งที่เราต้องการจะเข้าถึงกันคือความสุขที่เกิดจากความสงบเพราะถ้าเราได้ความสุขที่เกิดจากความสงบแล้วนี้เราก็จะสามารถละความอยากละ ก, กิเลสที่อยากจะไปหาสิ่ง ต, งต่างๆมาให้ความสุขกับเราไปหาลาบยศสรรเสริญไปหาความสุขทางตาหูจมูก น, นิ้วกาย ที่มันเป็นความสุขที่เป็นเหมือนยาเสพติดที่ทำให้เราต้องเสพอยู่เรื่อยๆต้องติดอยู่เรื่อยๆแล้วเวลาที่เราไม่ได้เสพมันก็จะทำให้เราทุกข์และมันก็จะเป็นตัวที่จะพาให้เรากลับมาเวียนว่ายตายเกิดต่อไปเราจึงต้องเปลี่ยนวิธีหาความสุขกันจากการหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลินรสให้เรามาหาความสุขจากการทาใจให้สงบ รอการทำใจให้สงบนี้จะไม่ทำให้เราไปติดติดกับอะไรยกเว้นติดจับติดความติดกับความสงบเพียงเดียวซึ่งขั้นต่อไปหลังจากที่เราได้ละการไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสไปเสพราบยศเสรเสรแล้วขั้นต่อไปเราก็ต้องแม้กระทั่งความสงบที่เราได้จากสมาธิเราก็ต้องละอย่าไปอยากอย่าไปอยากอย่าไปติดในสมาธิ ถ้าเราอยากจะหลุดพ้นอย่างสมบูรณ์แบบพอถึงขั้นขั้นต้นเราต้องลัความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายให้ได้ก่อนด้วยการอาศัยความสุขจากสมาธิมาเป็นเครื่องทดแทนถ้าเราลากความสุขจากสมาจากรูปรูปเสียงกยลิ่นรสได้แล้วเ ร, เราก็ไม่จำเป็นจะต้องอาศัยความสุขที่ได้จากความสงบเพราะว่าการ ที่เราไปอาศัยความสุขที่เกิดจากสมาธิมันก็จะทําให้เราติดสมาธิเวลาที่เราเข้าสมาธิไม่ได้มันก็จะทําให้เราทุกข์ได้ะฉะนั้นพอถึงขั้นนั้นแล้วเราก็ไม่ต้องอาศัยสมาธิเราก็อยู่แบบไม่มีความอยากพอไม่มีความอยากแล้วใจของเราก็จะไม่มีความทุกข์กับอะไรความทุกข์นี่ความไม่สบายใจความไม่อิ่มไม่พอความหิวนี่เกิดจากความอยากความต้องการ แต่พอเราละได้หมดแล้วเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องอมีความอยากกับอะไร<ม>แล้วจากความอยากให้ใจสงบก็ไม่ต้องไปอยากมันมเพราะความอยากให้ใจสงบอันนี้เป็นตัวที่ทำให้ใจไม่สงบพอเราหยุดความอยากที่จะให้ใจสงบได้ความไม่สงบที่เกิดจากความอยากมันก็หายไปใจก็จะสงบไปตลอดเวลาไม่มีอะไรมาทำให้ใจ วุ่นวายตื่นเต้นวุ่นวายใจไม่มีอะไรมาทําให้ใจหวาดกลัวไม่มีอะไรที่จะมาสร้างความทุกข์ให้กับใจอต่อไปเพราะตัวที่สร้างความทุกข์ที่แท้จริงก็คือความอยากต่างๆนั่นเองที่เราสามารถละได้ด้วยการทําบุญทําทานด้วยการรักษาศีลด้วยการภาวนานี่นี่แหละคือสิ่งที่เราจะต้องควรตั้งสัจจะอธิษฐานให้กับตัวเราเองให้เราตั้งว่า ต่อไปนี้เราจะเอาเวลาที่เราว่างมีว่างอยู่นี้มาให้กับการปฏิบัติตามขั้นต่างๆตามกําลังของเราถ้าเรายังอยู่ขั้นทานก็ทําทานไปก่อนถ้าอยู่ขั้นศีลก็รักษาศีลไปจากศี 5, ลห้าเราก็เพิ่มเป็นศีลแปดจากศี 8, แลแปดเราก็ไปภาวนาได้ไปอยู่วัดไปหาที่สงบหรือถ้าไปไม่ได้ก็ทําที่บ้านก็ได้ที่บ้านเราสงบ ถ้าไม่มีใครมาบรบกวนใจเราเราก็ทำที่บ้านก็ได้แต่ถ้ามีคนเยอะมีมีอะไรกิจกรรมต่างๆเยอะทำให้มันทำให้การทำใจให้สงบนี้ลำบากก็ควรจะไปหาที่ที่สงบทำจะได้ผลดีกว่านี่แหละคือเรื่องราวของของธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าที่จะนำพาให้เราได้หลุดพ้นออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิด จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราเห็นความสำคัญของเวลาของชีวิตเราว่าเวลาของเรานี้มีคุณค่ามากเราไม่ควรจะปล่อยให้มันเสียไปกับเรื่องราวไร้สาระต่างๆควรจะเอาเวลานี้มาสร้างบุญสร้างกุศลม า, าปฏิบัติทานศีลภาวนากันดีกว่าเพราะชีวิตของเรานี้มันจะสั้นลงไปเรื่อยๆวันเวลาผ่านไปผ่านไปชีวิตของเราก็จะน้อยลงไปน้อยลงไป แล้วถ้าเราไม่เอามาใช้กับการปฏิบัติเดี๋ยวพอถึงเวลาเราแก่เราเจ็บเราก็จะไม่สามารถปฏิบัติได้อันนี้คือเรื่องราวที่เราควรที่จะเอามาพิจารณาเอามาคิดอยู่เรื่อยๆพระเจ้าให้เราถามตัวเราเองอย่เรื่อยว่าวันเวลาผ่านไปผ่านไปเรากำลังทำอะไรอยู่เรากำลังปฏิบัติทานศีลภาวนา หรือว่าเรากำลังไปหาราบยธสรรเสริญสุขถ้าเราไปหาราบยธสรรเสริญสุขเราก็จะไปเวียนว่ายตายเกิดต่อไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดถ้าเรามาหาทานศีลภาวนาเราก็จะตัดการเวียนว่ายตายเกิดให้น้อยลงไปเรื่อยๆจนหมดสิ้นไปได้นี่คือสิ่งที่เราควรจะคำนึงอยู่ทุกวันทุกวันทุกวันที่เราตื่นขึ้นมาเพราะว่าเราเริ่มต้นวันใหม่เราก็ถามนะ ว, วันเวลาผ่านไปเราจะทาอะไรดี ถ้าสิ่งที่จำเป็นต้องทำก็ต้องทำเช่นการเลี้ยงชีพการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องอันนี้เป็นภารกิจที่ต้องทำแต่ภารกิจที่ไม่จำเป็นคือการไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้คนพยายามล ด, ล, ดละร ะ, ะ, ะงับมันให้ใหได้จะดีกว่าเพื่อที่จะได้เอาเวลามาสร้างบุญสร้างกุศลสร้างสมาธิสร้า ง, าางปัญญาเพื่อที่จะทาให้เราได้ยุติการเวียนว่ายตายเกิด นี่คือเรื่องราวที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรจกเวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะธ า, าวาเลวาหาปุราปริปุเรนติสาขลังเอวเมวะยตโตทินามเ <c oughs> ตตานาังอุปกาปติอิชิตังปัติตังตุมหังคิปเมวะสมิชโตสพัพเพปุเรนตุสังกปา จันทูปนะระโสยะามะนีโชติอราโสยะาสะพิติโยวิวาจันตุสะพารโควินัสตุมาเตภวัตวันตราโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาธนสีลิสะนิจจังุทาปะจายโน ยะตาโรธรรมวาทันติอายุวันโสุขังอาลาลำดับต่อไปก็เป็นช่วงถามตอบคำถามเลยใครอยากจะถามอะไรฟังแล้วไม่เข้าใจอยากจะถามหรือมีคำถามอย่างอื่นเกี่ยวกับการปฏิบัติก็ขอเชิญถามได้วันนี้มีผู้ติดตามทางบ้านทั้งหมดเท่าไหร่ กลับนพัศการพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้มีผู้รับฟังทาง Facebook พระอาจารย์472ท่าน YouTube 290ท่านทางด r v c h a n ร e วชา69ท่านวิดีุอออนไลน์9ท่านคลับผาว5หน้ากุติ96ท่านค่ะรวมทั้งหมดเป็น941ท่านเจ้าค่ะ okay. ถ้ามีคำถามอะไรก็เชิญถามได้มีคำถามจากยูทู e เจ้าคะ่ะกราบเยินถามพระอาจารย์บางครั้งเวลานั่งสมาธิจะรู้สึกว่าหลังโค้งงอลงมาเองอยากทราบว่าควรทำอย่างไรต่อครับระหว่างขยับตัวให้ตรงหรือไม่ต้องสนใจให้ต้องพุโทโธต่อไปให้พุโทโธต่อไปไม่ต้องสนใจ ทางร่างกายถ้าเราไปสนใจทางร่างกายเราก็ใช้การภาวนาของเราก็จะชะงักลงทันทีต้องให้อยู่กับพุโทโธไปเรื่อยๆอย่าไปสนใจร่างกายจะงอบ้างใจเอนไปบ้างก็ไม่เป็นไรไม่เป็นประเด็นสำคัญประเด็นสำคัญเราต้องภาวนาอยู่เรื่อยๆต้องพุโทโธอยู่เรื่อยๆใจถึงจะเข้าสู่ความสงบได้คำถามจากคุณปุย้ยกราบเรียนถามพระอาจารย์ ถ้าเรานําปลาไปปล่อยแล้วมีคนแอบจับไปกินเราจะได้บุญไหมครับได้เราทําบุญแต่คนที่จับไปกินก็ได้บาปบาปอยู่ที่คนกระทาทําบาปไม่ได้อยู่ที่คนทําบุญคนทําบุญก็ได้บุญแต่คนทําบุญก็ควรจะฉลาดหน่อยควรจะไปปล่อยที่มันไปไม่มีคนไปจับไม่ใช่ไปปล่อยตรงที่คนกําลังทอดแหย่อย <laughs> คำถามยังไม่มีเข้ามาเจ้าค่ะแต่มีของคุณคาเปโร่บวชแล้วไปอยู่กับหลวงพ่อได้ไหมครับด้วยความเคารพและตั้งใจอย่างยิ่งครับคือเราไม่ได้เป็นเจ้าอาวาสของวัด น, นี้เราอยากจะมาอยู่ที่นี่ต้องไปติดต่อกับเจ้าอาวาสเราเป็นลูกวัดสบายกว่าไม่ต้องไม่ต้องยุ่งกับเรื่องราวต่างๆกินแล้วนอน มีครูจอร์จทิติพงศ์เจ้าค่ะขอให้ท่านพระอาจารย์มีธาตุขันธ์ที่แข็งแรงสมบูรณ์ครับผมสาธุจะรับเป็นได้ก็ดีรลางกายมันเป็นอนัตตามันภาวะทางธรรมชาติที่เราไม่สามารถที่จะไปกาหนดได้ถึงเวลามันจะพิการก็พิการได้ถึงเวลามันจะเจ็บมันก็เจ็บได้ก็ว่าเป็นไปตามความเป็นจริง ชีวิตของคนทุกคนมันก็ต้องแก่เจ็บตายด้วยกันทุกคนช้าหรือเร็วมากหรือน้อยเท่านี้ต่ก็เหมือนกันมาฝึกทําใจกันดีกว่าอย่าไปพยายามอย่าไปฝืนธรรมชาติเพราะธรรมชาติเราฝืนไม่ได้แต่ใจเราไม่ทุกข์กับมันได้ถ้าเราไม่ฝืนธรรมชาติถ้าเรายอมรับกับความเป็นจริงของธรรมชาติยังไม่มีคําถาบเข้ามาเจ้าค่ะเราไม่มีก็เอาแค่นี้ก่อนนะสําหรับวันนี้